สำหรับผู้มีอายุมากผู้สูงอายุต้องระมัดระวังเดี๋ยวหกล้มเข้าไปแล้วก็เกิดเรื่องอะทีถ้าหกล้มหัวนอกพื้นถ้าตายไปเลยมก็ไม่เป็นไรถ้าเป็นอมภพอมภาตโตเตเตเป็นภาระของลูกของหลานจุดนั้นต้องระวังผู้สูงอายุต้องระวัง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 อากาศอุ่นขึ้นมาแล้วยังค่อยออกมาถ้าหากว่าเราเก็บหอมรอมริบเงินคําทรัพย์สมบัติของเราไว้ในธนาคารนะอเกินไม่ว่ากันแต่ถ้าว่าจะตุปัจจัยของเรายัางไม่พอเราก็ต้องสะแสวงหาเพื่อเลี้ยงชีพของเราไม่มีใครที่จะรักเรายิ่งกว่าตัวของเราเพราะนั้นเราต้องสะแสวงหา